บุ๊กทูยี่สิบแปดอิยในมดีในโรงแรมการร้องเรียนโฮเทลโลฟิเรียดลูกฝักบัวใช้งานไม่ได้เสาวรปนิชยดมเลดูไม่มีน้ำอุ่น กอวชัชชะต์นีลูราวดันเล็ดูคุณมาซอมมันได้ไหมคะมีระดันนีบอกกเชย์จกลรละในห้องไม่มีโทรศัพท์กาดล่โทลศัพท์เลดูในห้องไม่มีโทรทัศน์กาดีโล่ีวีเลดูห้องไม่มีระเบียงกาดีกีวาสาระเลดู ห้องนี้เสียงดังเกินไปรถจชลลสันดดิก้อุนดีห้องนี้เล็กเกินไปรถจชลลชินนาก็อุนดีห้องนี้มืดเกินไปรถจัลลัชีกดิก้อุนดีเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานฮีเตอร์ปัญชิดันเลดู เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเยซีปานิเจเดันเลยดูโทรทัศน์ไม่ทำงานทีวีปานเิเจเดันเลยดูดิฉันไม่ชอบเลยนากูอะเดนัชเชดูมันแพงเกินไปอดิชาลาขาีดกัลยดิ คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะมีวัด์ดินกันนะจังกันในเดย์แมนาะบุนดาที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะดักเกอร์โลเยเดยนาวักกยูธโฮสเทลบุนดามีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะดักเกอร์โลเยเดยนาวักก์บอทดิงเฮาส์วักแมนชัมมาริวเบรคฟาสบุนดา มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะดักกรลู้เอเดน่ะวะากัรสเตอร์นต์บุ่งด๊า